เพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายเวลานี้ใกล้ถึเวลาเจริญเทรมทานแต่ว่าก่อนที่จะรับฟังคําแนะนําในการเจริญเทรมทานขอท่านงหลายได้โปรดรับฟังว่าอาการที่ผมจะต้องตายในวาระที่ห้าสิกร การได้ประกาศความตายให้ทราบไม่ใช่เป็นการโ อ, โ อ, โอ้อวดแต่ว่าเพื่อเป็นการเตือนใจท่านทั้งหลายว่าชีวิตของเรานี่ตายแน่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเปนียญจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกครั้งเมื่อเรายึดถือเป็นเข้ามันก็มีใจเป็นทุกข์ <c oughs> อนัตตาสภาวะของมันก็มีการสลายตัวเป็นในที่สุดนี่เป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริงๆอาการไม่เที่ยงมีอะไรบ้างท่านก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะคือในผมบอกกันร่ำไปก็น่ากลัวจจแย่ราะว่าการรับฟังของผู้ท่าน รับฟังมากเหลือเกินการศึกษาของผมที่รับการศึกษามาในด้านการปฏิบัติเกือบว่าจะไม่ในหนึ่งในร้อยในการฟังคาบรรดาท่านทั้งหลายรู้เพราะเพราะว่าผมรับฟังแค่เล็กๆในน้อยมีส่วนไม่มากนอกนั้นก็เป็นการค้นคว้าเองเป็นสำคัญ แ่ก็พยายามกระทำมาแบบชนิดที่ว่าค่อยๆคลานบ้าง ค, า ค, าค่อยค่อคืบบ้างยิงกระทั่งมีจิตยอมรับนับถือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นคุณเลิศสำหรับท่านทั้งหลายฟังกันมากวันละสี่เวลาถ้านหนึ่งปีสามรอยหกิบห้าวัน คิดแล้วฟังกันปีละเท่าไหร่ในเวลานี้ธรรมะขององค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาฟังจิตของท่านลงไปแล้วเท่าไหร่หรว่าที่มันเลยไปแล้วเท่าไหร่กำลังใจของพวกท่านสามารถจะทรงเจรณะสิทห้าเบิการได้ครบถ้วนไหม ฮิริลาโอตะปะเป็นของสำคัญสำหรับพวกเรามีความรู้สึกกันเป็นปกติหรือไม่ที่พูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าท่านทำไม่ได้นี่เป็นการเตือนใจกันบรารมีสิบระการทรงจิตอยู่บ้างหรือเปล่ารมมวิหารสี่รายการทรง ไ, ได้ไหมอิทิบาสีทรงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จงคิดว่าใจของท่านเป็นใจของอบายภูมิเป็นที่น่าสิดายอย่างยิ่งโอกาสขมันดาพวกท่านมีมากกว่าพวกผมแต่ถ้าว่าท่าจิตของพวกท่านยังไม่สามารถจะแคะกิีเลสเล็กๆ อย่างน้อยที่สุดก็คือนิวนรณ์ห้ามเดชะให้มันกระเทาะออกไปกจิตใจจิตใจได้ก็น่าชิดนใดวันนี้เรามาคุยกันต่อไปว่าสภาวะของร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ว่าใจของเราจงอย่าทุกข์ความจริงร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ ร่างกายมีนี่มีเหมือนสภาพท่อนไม้ที่เขาวางทิ้งไว้แต่ถ้าว่าเราไปจับมันแบกเราไปจับมันยกไปหามัมเข้าวมันก็เคลื่อนไหวไปได้เราคือจิตและจงรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วอาการทั้งหมดของโลกปัญหาที่สุดไม่ได้ไม่มีอะไรเที่ยง จงยึดถือคำนี้ไว้เป็นสำคัญแต่ความจริงพวกท่านจำได้แต่งเยอะบางท่านก็บันทึกไว้แล้วก็มีที่ไม่มีการบันทึกไว้สิ่งที่เขาบันทึกไว้แล้วก็มีตำรับตำราก็มีครบแล้วถ้าว่ากำลังใจของท่านดีน้อมนำอวะธรรมคำสั่งสอนไว้ประพฤติปฏิบัติจะมีครบหรือไม่ถ้ามีไม่ครบ ก็ไม่ต้องสงสัยทางไปของเราแน่นอนหรือว่าสุขคติหรือว่าทุคติเป็นเรืองของบันดาท่านหลายจงอย่าลืมว่าอัตรนาโจทยตานังเตือนใจเขาตนเองไว้อย่าทนองตนอย่าเผลอตนอย่าคิดว่าเราดีอย่าคิดว่าเราวิเศษ ถ้ามีการทนองตนถื้ตนคิดว่าตัวดีเท่าใดก็ต้องทราบว่าเราก็เลวเท่านั้นคิดว่าเราวิเศษเพียงใดเราก็เลวเพียงนั้นคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นคิดว่าเราเสมอคนอื่นคิดว่าเราเลวกว่าคนอื่นก็เราก็ยังเลวอยู่เพียงนั้นยังมีความเลวมากกว่าความดีความดีเกือบจะหาไม่ได้เลย อารมณ์ยังไงจึงจะดีก็อารมณ์ที่ทรงจารณสิบห้าครบทันตดีทรงพรหมีหันสี่ครบดีแล้วก็ทรงบารมีสิบครบดีสา ม, มารถทําลายนิวนหรห่านได้นันตัดีแล้วก็มีอิธิบาทสีได้นันดีสา ม, มารถทําลายสัญยชติสิบระการได้นันตัดี อย่าลืมว่าอารมณ์ดีมีอยู่เท่านี้แล้ที่มากกว่านี้ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ทางนั้นหรือว่าไปรวมในข้อว่าสัพพปาปัสสะกระนังเราไม่การไม่ทำความชั่วไม่คิดชั่วไม่โผดชั่วสุตกุสุสรสูปะสมัฏามีอารมณ์ผ่องใสในด้านของความดีคือกุศล ถ้า จ, จิตตาปริโยธปันนังทำลายกิเลสจากใจให้หมดไปให้มีอารมใจผ่องใสนั่นะดีแต่ท่านที่ยังลืมตัวอยู่มีอยู่ผมทราบที่คิดว่าดีแต่บรรเลวอันนี้ก็เป็นของธรรมดาเรายังมีกิเลส แล้วก็ไหนๆเราก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงพยายามแค่กิเลสออกให้มากกว่าพยายามพอกพูนกิเลสคำอาการท่านลงตนนี่แปลการของกิเลสตัวมรณะที่เลวซามที่สุดจงอย่ามีตอนนี้ไปหรือเวลา20นาทีประมาณ19นาที มาคุยกันถึงวรระที่จะต้องตายครั้งที่ห้าจำได้ว่าพอศ .2515 ปีนั้นกำลังสร้างรั้วบริเวณฝั่งตะวันออกสร้างอาคารชำระนิยสงสร้างประปาและก็สร้างทำของจุกอิกภายใน ปรากฏว่าโรคร้ายเข้ามาทำลายร่างกายของผมความจริงการทรมานเป็นมาแรมปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้คือปี2515เอาหนักเริ่มอาเจียนมาตั้งแต่ต้นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีต้นปีคือเดือน มกราคมก่อนหน้าไปนิดปวันธันวาคมหรือพฤศสิกายนนั่นเริ่มไออย่างหนักตลอดหลังจากนั้นมาการบริโภคอาหารกินมันกินเข้าไปน้อยกว่าออกมาร่างกายมันจะทรงที่เดียวดีที่สุด ก็คืออืดบ้างเสียดบ้างไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่มันมากจริงๆอาการอาเจียนมีเป็นปกติทุกวันแต่มันก็ไม่มากนักแต่ว่าท่านท่านหลายโปดรดทราบว่าเรื่องของโลกที่มีอยู่ในโลกก็คือคนคนนี่มีความสำคัญที่สุด บางคราวผมกำลังไอยอยู่กำลังไอเจียนอยู่แนี่ทายังไงแขกกูมาบางท่านแกก็มา น, นั่งใช้ค อ, อยดูนนทยคอยตรวจหนี่คอยทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะคนประเภทนี้นี่อาการป่วยแสดงออกมาถึงขนาดนี้เรายังจะใช้กัน แต่ว่าผมก็มไม่ดีโกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมองดูอธทิสมานากายให้ไฟท่วมตัวมีเครื่องพันธนาการรัดรยงมีสันภาวุตสั์ฟังจีงรู้สึกว่าแกนี่กำลังร้อนหนักร้อนตอนนี้ไม่พอตายแล้วลงนรกนรกด้วยอาการนั้นแปรการของอธทิสมากายแห่งอบายภูมิ เื่อนากมี่ขาเล่าย่อให้ฟังไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะทรงสภาพอย่างไรก็ดีแต่คนที่เห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้มองดูว่าพระนะ่ะไม่ใช่ลูกจา้างแล้วพระไม่ใช่ทาสแต่เขามีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นลูกจ้างหรือพระเป็นทาสสำหรับรับใช้ เจ้าป่วยไข้ไม่สบายยังไงก็ตามทีเขาอยากจะใช้สักอย่างเดียวก็ใช้มันดาแล้วเงินดาวังนเดือนอะไรก็ไม่มีบางไรายไม่เคยเจอหน้ามาสักครั้งหลายสิบปีในายุพอมาถึงก็ยกบุญยอคุณอะไรไม่ทราบแต่ก็บอกเคยทำบุญนี้นั่นทำบุญนี่แต่ไม่ใช่วัดนี้วัดอื่น นี่เป็นเรื่องของคนบรรดาท่า น, นหลายต้องพยายามถ้าพบอาการอย่างนี้เข้าจงใช้ขันติกับพรหมีหันรสรีไว้อย่าไปโกรธแก่เข้าถ้าโกรธแก่เข้าไฟมันจะเผาเราคนโดยโทสัคขีไฟกูโทสันจะเผาหลานนิวบอกกันที่อาการอาเจียนเก้าวันที่จะถึงวันตายอาเจียนหนัก อะไรกระทบไม่ได้กระทบข้าวเป็นหน่อยไอเจียนกระทบน้าเป็นหน่อยไอเจียนแต่ผมก็ทำงานทุกอย่างรวบรวมกำลังกายรวบรวมกำลังใจได้ก็เดินสั่งการสั่งงานซึ่งคนเวลานั้นก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนสองสามคนคนยังไม่มากถึงขนาดนี้พระก็มีไม่มาก แล็กก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเขามีความรู้สึกว่าผมป่วยไม่มากเพราะว่าอาการของผมมันเดินได้ไ่แล้วก็ไมบ่บ่นนี่ไม่ได้โทษคนเพราะว่าจะดูอาการกันมันยากสำหรับคนอย่างผมนี่มาถึงวันสุดท้ายเพราะว่ากันถึงวันสุดท้าย วันนั้นเวลาประมาณสามโมงเช้าไปดูช่างตกน้ำบาดาลฝั่งนี้นั่งดูอยู่ครู่หนึ่งความจริงอาการทางกายไม่ปรากฏแต่แต่ว่าพอลุกขึ้นจะกลับที่ท่านั้นมนาเจียนตรงนั้นอาเจีนเสอย่างหนักรู้สึกว่าอะไรในท้องมันก็ไม่มีแล้วชักใจวิววิวนิดนิด แล้วก็พยายามเดินเข้ามาพอถึงมุมหรือว่าจุดนอกมันก็เริ่มอาเจียนอีกพักหนึ่งพอจะเข้าประตูใหญ่ด้านหน้ามันก็อาเจียนอีกครั้งหนึ่งอาเจียนอย่างมากไม่ใช่ไม่ใช่กนิดๆหน่อ ย, อยพอกลับเข้ามาถึงที่คณิกุติเตียงที่ตั้งอยู่ข้างล่างชั้นล่างอาเจียนอีกครั้งหนึ่งเทานี้ก็เริ่มนอน พ่อดีในเรียบพ่อเด็กชายศาสตร์เนี่ยมาทีนี่บอกจะบอกว่าไปหาน้ำเกลือมาสักพันทีสีเมื่อหลงอ่านมันไม่สบายมากมันเสียวไปทั้งตัวให้น้ำเกลือก็ดีเครื่องให้น้ำเกลือก็ดีมันไม่มีอยู่ในยังเวลานี้กว่าจะไปหามาได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมเ็ หรือว่าบายสองโมงคุมจำไม่ได้แกก็เริ่มให้น้ำเกลือตอนนั้นกำลังใจเป็นยังไงเนเรวา่าพูดเกีถึงกําำลังใจกำลังใจของผมไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะมันด้านตัวาการอย่างนี้ซะแล้วถ้าแกถามว่าหวาดวิวใจไหมเสียวไหมกลัวตายไหมตายหรือไม่ตายผมไม่รู้สึก กำลังใจมันมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าเวลานี้ร่างกายมันจะพังแต่ว่าใจมันเป็นสุขอาการทางกายนี่เครียดจัดแต่ว่าใจนี่มันสบายเฉยๆถ้าเขาจะบอกว่าเข้าฌานสมาบัติหรือผมบอกก็ไม่รู้ ใจผมสบายเป็นหอปกติไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการทรงตัวตึงเป่งอย่างที่เขาเข้าชานกัน <c oughs> เพราะว่าฌานประเภทนั้นผมม่เ น, นยมผมนิยมอารมณ์ปกติเท่านั้นใจก็เป็นสขแบบสบายๆแต่ร่างกายมันเสียวเสียวก็เสียวไปมันชินมันชินต่อาการของการป่วย เขาก็เริ่มให้น้ําเกลือผมนอนอยู่อารมณ์ใจก็เป็นสุขสบายก็ให้น้าเกลือไปขณะที่เี่นเรียกให้น้ําเกลือนั่นมันมีคนอยู่เพียงสามคนเขาก็ให้น้าเกลือไปประมาณครึ่งหนึ่งลืมตาขึ้นมาดูความจริงไม่นในหลับเลยแต่มันหลับตาเฉยๆใจมันเป็นสุขเห็นคนเข้ามาอยู่เต็มกุฏิหมด ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้หลับในเมื่อเราไม่ได้หลับแล้วเขาเข้ามากันเมื่ อ, อไรทำไมเราจรึงไม่รู้นี่ก็ช่างผมก็หลับตาต่อไปใหม่ที่ว่าไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคล้ายๆกับนอนอยู่ในสถานที่โปรง่งอารมณ์พัดเย็นส บ, สบาย กำลังกระใจนี่ไม่ได้ยุ่งกับร่างกายเลยมันจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจเพราะรู้สัญญาว่ามันครบสิบสองปีพอดีเหลืออีกสองปีที่ให้สัญญาทำไมว่าจะต้องตายในเวลานั้นขนาดที่หลับตาลงไปอารมณ์เป็นศกอยู่ ภาพที่ปรากฏในอากาศก็คือเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างสวยสดงดงามแผ่วดาวเต็มอากาศไปหมดอีก้ากําหนดจู่กับเทวดาบ้างพรหมบ้า ง, พ ร, งพระบ้างก็คุยกันแบบสบายๆคุยกันอย่างเป็นสุขเมื่อการรื่นเริงหันษาความรู้สึกในขณะนั้นมันก็มีความภูมิใจอยู่นิดหนึ่ง คิดว่าเจ้าขันห้าจังไรตัวนี้หมดภาระกันเสธีเราจะได้ไปอยู่ในแดนที่เราควรจะอยู่จะที่ไหนก็ช่างแดนนั้นก็ปรากฏสายจากสุกุไรคิดบารมที่เคยคิดว่าบินแดนส่วนนี้เราควรจะมาอยู่นานแล้ว แล้วก็น่าจะมาอยู่มันเป็นดินแดนที่น่ารักเขาเรีบกันว่าอะไรผมไม่บอกกําลังใจก็เป็นสุขแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปได้เพราะถูกปีกันจากทิวดาพรมละระการจะเข้าไปสู่จุดนั้นทุกท่านห้ามบอกโกยังก่อนว่าระยังไม่ถึงผมก็รอเวลาคิดว่าถ้าหกโมงย็นเป็นเวลาที่ตกลงกัน ถ้าเวลานั้นมาถึงเมื่อไรเราก็จะมีความสุขอย่างยิ่งคือได้เข้าสู่แดนที่เป็นเอกันต์บรมสุขสาหรับผมผมเรียกกันว่าเอกันต์บรมสุขเพราะมันดีกว่าวัดที่อยู่นี่ดีกว่าสภาวะที่อยู่นี่แต่ว่าจะเป็นเองเอกันต์บรมสุขคันนิพพานหรือไม่ผมไม่รับรองมันสุขสำหรับผมก็แล้วกันสุขยอดเยี่ยมสำหรับผม ในช่วงนี้เองท่านทั้งหลายเวลาใกล้จะหกโมงก็ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าเหลือเวลาอีกสักห้านาทีแกถึงเวลาแล้วจึงได้ถามพระถามว่าไปได้หรือยังท่านถามว่าไปไหน ก็กราบเรียนท่านบอกว่าตามสัญญาสิบสองปีครบวันนี้และเวลาหกโมงเป็นเวลาที่ครบพอดีท่านบอกว่ายังไปไม่ได้เป็นกราบเรียนถามท่านว่าถ้าไปไม่ได้ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้การอยู่จะมีประโยชน์อะไรใช้ไม่สะดวกมันอึดมันเสียดมาทั้งปีเวลานั้นเป็นเวลากลางมรสาเคือเดือนกันยายน ถ้าผมจําไม่ผิดนะจำไม่ผิดคือจะเป็นสิงหาคมและกันยายนในพมจําไม่แน่นอนไม่ได้จดไว้ท่านบอกว่าไปไม่ได้ถามว่าไปไม่ได้เพราะอะไรแล้วร่างกายมันไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรสําหรับเรื่องกายนี้วันพรุ่งนี้มันก็หมดมันก็หมดเคราะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายจะดีขึ้นตามลําดับ ผมก็เลยบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่เห็นมีความหมายเนื่องถึงวาระตามสัญญาก็ควรจะไปล้วสักทีก็มีท่านองค์หนึ่งเข้ามาใกล้ท่านผู้นั้นคือพระอินทร์ท่านแต่งตัวครบชุดสวยงามมากท่านบอกว่าคุณยังไปไม่ได้ว่าคนของคุณก็ยังไม่หมดคนของฉันก็ยังไม่หมด ก่อนที่คุณจะมาเกิดคุณให้สัญญากับฉันไว้ว่าเมื่อก่อนที่คุณจะตายคุณจะต้องขน้นคนของคุณก็ดีคนของฉันคนดีอย่างน้อยที่สุดให้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้หมดแล้วก็ถ้าไปสูงกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี ก็เลกราบเรียนแทมบอกว่าก็อยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วเยถ้าเขาไม่มาก็ช่างเขาอะไรอย่าไปนสนใจอะไรสัญญาสิบสองปีก็ไม่มีใครโผล่หน้ามาสักกี่คนไม่เรื่องอะไรอย่าไปนสนใจกับเขาเขาอยู่ที่ไหนบ้างมเมื่อเขาไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาเมื่อพูดอย่างนี้แทมก็นิ่งไปประเดี๋ยวแล้วแทก็ตอบว่าก็ไม่เป็นไร หลังจากนี้ไปฉันจะเกณฑนมาเองเกณฑ์นมารวมกันให้หมดดังนันก็เลยแนะนำบอกว่าจุดที่จะพาคนไปดาวดิงนั่นได้ก็คือการสร้างวิหารธานคุณเริ่มสร้างวิหารธานม ย, ย, ย่อขาดเขาทำบุญเรื่องวิหารธานด้วยความเต็มใจนั่นเป็นปัจจัยเขาเกิดในดาวดิง แต่แต่หากว่าเขาจะมีบุญมัสนามบารมีมีวิทยาศาสตร์ดีอุตสาหะดีเขาไปเกินกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาโยมไม่ห้ามในเมื่อท่านให้สัญญาที่ว ด, ดาคนดีพรหมคนดีพระคนดีพูดนี่เราพูดซ้ําไม่ได้แลเมื่อท่านให้สัญญาแบบนั้นบอกว่าถ้ายโยมให้สัญญาอาตมาก็จะอยู่ สำหรับพระท่านก็บอกว่าคุณอยู่ต่อไปต่อไปข้างหน้าประชาชนจะมามากก็เลยต้องขอ่อนท่านบอกประเภทลองนะ้วเลิกกันสีทีมาลราอยากจะลองดูจะดีไม่ดีจะควรหรือไม่ควรจะชอบใจหรือไม่ชอบไอ้ประเภทลองประเภทนี้มันเหน่อยเปล่าไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวแต่คือคนเอาดีเท่านั้น ทหาก็ให้สัญญาว่าจะคัดมาแต่คนดีถ้าคนไม่ดีบังเอิญจะมาบ้างก็จะไล่ไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ให้ก็ออกนอกเขตไปประเภทหลงไม่มีเมื่อตกลงกันประเภทนี้แล้วก็ลืมตาขึ้นมามันเรื่องของสัญญาต้องเป็นสัญญาลืมตาขึ้นไหมคนเต็มกุฏิคุณนยมเต๋อสามีเจ ก, กิ่งกี่ เข้ามาใกล้มาถามว่าท่านไปโรงจยบาลดีไหมก็นึกในใจว่าเราไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากันเพราะเหตุการณ์ต่างๆทางร่างกายมันถอนไปหมดท่านกาหนดว่าวันพ่วง น, นี้ก็ดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจคนทุกคนจึงก็ตกลงไปหมอก็ถอนเข็มน้าเกลือออก เขาทำท่าจะแบกของอัตมาผมจะเข้าห้องน้ําก็เลยบอกไม่ต้องแบกของผมก็เดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําสบายไปลงพยาบาลไอ้มนขึ้นเชิงเขานิดนิก็เลยเดินขึ้นไปเองก็ได้แลว้วพอเข้าโรงพยาบาลหมอให้ยายก็รู้สึกดีขึ้นขอรบรัดเวลาได้สองนาทีเป็นนาทีครึ่ง เป็นอันว่าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาโยกเปล่าค่ายาค่าหมอค่าห้องไม่เสียและก็บุรณะปฏิสังขอนโรงพยาบาลไปขนาดนั้นประมาณแปดหมื่นบาทเศษอันดับแรกคุณชากรุงเทพมาเยี่ยมรวมเงินได้ 7, เจ็ดพันเศษก็ช่วยซื้อออกซิเจนบ้างอะไรบ้างก็ตามเรื่องไปไปมาก็สร้างพมปรับปรุงไฟฟ้าสร้างพัดลม เพดานตั้มต่างแล้สร้างพัดลมเพดานพัดลมประจำห้องทําถนนสร้างอะไรตัวอะไรหมดไปแปดหมืนบาทเสรการหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดเพื่อเอาชื่อหมดเพื่อให้เจ้าของเงินมีความดีคือเป็นมหากุศลเพราะโรงพยาบาลเป็นที่บรรเทาทุกข์มันดาประชาชนผู้ป่วยไข้ไม่สบายอะไรทั้งหลายเรื่องการตายวาระที่ห้า มันก็ยังไม่ควรจะจบแล้ว ก, ก็ต้องจบเมื่อเวลามันหมดเพราะท่านหลายจงกำหนดอาการทุกข์ของร่างกายไว้ว่ามันมีสภาพแบบนั้นมันทรงอะไรไม่ได้จําไม่เสมอว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราจงอย่าทุกข์รักษาอารมณ์จิตให้เป็นสุขตามระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาล ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ แล้วใจของเราก็จะมีสุขไม่มีทุกข์ตามทีม่เล่ามาแล้วสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติวัตวเตียงตรงนี้